ยังอยู่และควรทำอะไรดีหัวข้อรู้สภาวะธรรมตอนเท่าทันความเกิดดับของขันห้าพุทธพศหนึ่งเห็นว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูป 2. เห็นว่าอย่างนี้เวทนา อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนา 3. เห็นว่าอย่างนี้สัญญาอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาอย่างนี้ความดับแห่งสัญญา 4. เห็นว่าอย่างนี้สังขารอย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งสังขารอย่างนี้ความดับแห่งสังขาร 5. เห็นว่าอย่างนี้วิญญาณ อย่างนี้ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณอย่างนี้ความดับแห่งวิญญาณข้อความจากมหาสติประทานสูตรธรรมานุปัสสนานิวรณะบัพภะลงมือปฏิบัติหลังจากเห็นกายเห็นสุขทุกข์เห็นจิตแจ่มแจ้งแล้วสติผู้รู้เห็นจะหมดความสำคัญมั่นหมายว่ากายใจเป็นบุคคล เปลี่ยนเป็นรู้สึกเสมือนดูหุ่นกระบอกหรือดูแสงที่เดี๋ยวสว่างจ้าเดี๋ยวหรี่มืดไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในที่นี้และเมื่อฝึกมาถึงขั้นนี้สติจะมีความไวสูงเห็นภาวะกายใจครบจึงสมควรที่เราจะมองกายใจแบบแยกแยะว่ามีองค์ประกอบเป็นห้าหมวดหมู่แต่ละหมวดหมู่ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งขัน รวมเรียกว่าขันห้าซึ่งเมื่อทำความรู้จักอย่างดีให้ครบทั้งหมดแล้วก็จะได้ไม่ต้องสงสัยว่าเรากำลังรู้เห็นสิ่งใดกันแน่ในขณะแห่งความเป็นปกติอย่างนี้เราสามารถรู้กายใจได้ว่าหนึ่งรู้รูปโดยความเป็นสภาวะเกิดดับรูปในที่นี้หมายถึงธาตุสี่ ดินน้ำไฟลมอันประชุมขึ้นเป็นกายล้มหายใจจัดเป็นรูปเพราะเป็นธาตุลมและแม้อิรยาบทต่างๆก็จัดเป็นรูปเพราะอาศัยธาตุสี่ในการเกิดอิรยาบทแต่คนทั่วไปที่ไม่มีโอกาสพิจารณาความจริงนี้เมื่อหายใจก็เกิดมโนภาพบุคคลกําลังหายใจเมื่อเคลื่อนไหว ก็เกิดมโนภาพบุคคลกําลังเคลื่อนไหวไม่เฉลียวคิดเลยตั้งแต่เกิดจนตายว่าทั้งหมดเป็นแค่รูปประกอบต่อเมื่อรู้ชัดว่าหายใจด้วยความเข้าใจว่ามีแต่าธาตุลมเข้าสู่กายและออกจากกายไม่มีบุคคลเข้ามาไม่มีบุคคลออกไปมโนภาพบุคคลผู้กาลังหายใจก็จะหายไปเห็นแต่ว่า รูปมันหายใจเข้าออกไม่ใช่ตัวเราหายใจเข้าออกนี่เรียกว่าเป็นการรู้ความเกิดดับแห่งรูปเป็นขณะขณะจะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามทีและเมื่อใดที่รู้ชัดว่ากายนี้เคลื่อนไหวหรือหยุดนิ่งด้วยความเข้าใจว่าเพราะธาตุสี่ประชุมกันเคลื่อนไหว มโนภาพบุคคลกำลังเคลื่อนไหวจะหายไปเห็นแต่ว่ารูปมันเคลื่อนไหวไม่มีตัวเราเคลื่อนไหวท่าทางหนึ่งเกิดขึ้นแล้วต้องเปลี่ยนเป็นท่าทางอื่นเป็นธรรมดานี่ก็เรียกว่าเป็นการรู้ความเกิดดับแห่งรูปเช่นกันสองรู้เวทนาโดยความเป็นสภาวะเกิดดับ เวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยสำหรับคนทั่วไปนั้นเมื่อเป็นสุขจะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ยิ้มแย้มจิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายแต่เมื่อเป็นทุกข์จะเกิดมโนภาพบุคคลผู้ร้อนรุ่มกลุ้มใจอึดอัดไม่สบายต่อเมื่อฝึกรู้จนเห็นว่าเวทนาคือเวทนาไม่ใช่บุคคล มโนภาพบุคคลผู้เป็นทุกข์เป็นสุขก็หายไปเห็นแต่เพียงว่าถ้ากายระงับไม่กวัดแก่งและไม่กำเกรงก็จะเกิดความสุขทางกายถ้าใจสงบสบายและเปิดกว้างก็จะเกิดความสุขทางใจแต่ถ้ากายกระสับกระส่ายหรือกำเกรงก็จะเกิดความทุกข์ทางกาย ถ้าใจสัดสายหรือปิดแคบก็จะเกิดความทุกข์ทางใจเป็นเหตุเป็นผลทางธรรมชาติแค่นี้และไม่ว่าสุขทุกจะกินเวลายาวนานเพียงใดก็ต้องถึงการสิ้นสุดลงเป็นธรรมดาไม่ได้มีบุคคลตัวตนเราเขาตั้งอยู่ในห้วงสุขห้วงทุกข์ไหนเลยเห็นแต่ว่าเวทนามันสุขเวทนามันทุกข เวทนามันเฉยเช่นนี้นับเป็นการเห็นเวทนาเกิดดับเป็นขณะขณะแล้วจะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามที 3. รู้สัญญาโดยความเป็นสภาวะเกิดดับสัญญาคือความจำได้หรือความสำคัญมั่นหมายว่าอะไรเป็นอะไรเช่น ตาเห็นรูปและจําได้ว่าสีเขียวหรือสีแดงมนุษย์ทั้งหลายอาจเห็นสัญญาเกิดขึ้นชัดก็ต่อเมื่อพยายามเข้นนึกชื่อคนหรือชื่อสถานที่เมื่อนึกออกก็จะเกิดมโนภาพบุคคลเหมือนมีตัวเราเป็นผู้นึกออกอันที่จริงสัญญาเกิดขึ้นตลอดเวลาอย่างเช่นนั่งอยู่แล้วความคิดต่างๆผุดขึ้นมาเอง ชัวขนาดที่จําได้หมายรู้ว่าเป็นเรื่องใดเกี่ยวข้องกับใครก็เข้าข่ายเป็นสัญญาเช่นกันหรือแม้ไม่คิดถึงเรื่องใดแต่สําคัญว่ามีตัวเรานั่งอยู่เท่าเนี้ยก็นับเป็นอัตตสัญญาแล้วต่อเมื่อจเจริญสติจนจิตเงียบว่างได้บ้างและเห็นว่าอยู่ๆความคิดผุดขึ้นท่ามกลางความว่าง โดยคลื่นความคิดผุดก่อนแล้วตามมาด้วยความจําได้ว่านั่นเกี่ยวกับเรื่องอะไร <c oughs> ก็จะเห็นถนัดว่านั่นสักแต่เป็นสัญญาระลอกหนึ่งดุดเดียวกับพยับแดดที่หลอกให้นึกว่ามีค่ามีความหมายทั้งที่ตรงนั้นไม่มีอะไรให้จับต้องได้เลยเช่นนี้มโนภาพบุคคลผู้นึกออกจําได้จะหายไป เห็นแต่ว่าสัญญามันจําได้ไม่ใช่ตัวเราจําได้ผดขึ้นตั้งอยู่แล้วในที่สุดก็หายวับไปไม่ต่างจากการเลือนของพยับแดดนี่เรียกว่าเป็นการเห็นสัญญาเกิดดับเป็นขณะขณะแล้วจะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามทีสี่ รู้สังขารโดยความเป็นสภาวะเกิดดับสังขารคือตัวการปรุงแต่งใจให้เป็นกุศลหรืออกุศลคิดดีหรือคิดชั่วเข้าข้างสว่างหรือข้างมืดคนทั่วไปจะเห็นสังขารเกิดขึ้นชัดแต่เมื่อต้องใช้กําลังใจในการทำบุญหรือก่อบาปเป็นพิเศษ กำลังใจในการทำบุญหรือก่อบาปหนักๆนั้นจะก่อให้เกิดมโนภาพนักบุญผู้มีจิตใจสว่างกว้างขวางหรือมโนภาพคนบาปผู้มีจิตใจมืดมนร้ายกาจแม้ความชอบหรือความชังก็จัดเป็นสังขารเช่นกันทันทีที่ถูกใจหรือไม่ถูกใจจะเกิดความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้ได้รับความพอใจจิตมีสภาพฟูฟ่อง ลำพองยินดีหรือไม่ก็มีเราเป็นผู้กำลังจะโดนทำร้ายหรือเอาเปรียบจิตมีสภาพฟุบแฟบตื่นกลัวล่นลานพอฝึกเห็นว่าสังขารไม่ใช่บุคคลเป็นเพียงปฏิกิริยาทางใจที่โต้ตอบกับสิ่งกระทบมโนภาพของนักบุญหรือคนบาปผู้ชอบหรือผู้ชังก็จะหายไปเห็นแต่ว่า คิดดีเพราะปัญญาเป็นผู้คิดไม่ใช่เราคิดและเมื่อคิดร้ายก็เพราะกิเลสมันคิดไม่ใช่เราคิดชอบก็เพราะสังขารมันชอบไม่ใช่เราชอบชังก็เพราะสังขารมันชังไม่ใช่เราชังถ้าเห็นเช่นนี้ก็นับเป็นการเห็นสังขารเกิดดับเป็นขณะขณะแล้วจะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามที หารู้วิญญาณโดยความเป็นสภาวะเกิดดับวิญญาณคือความรับรู้ที่เกิดขึ้นตามประสาทสัมผัสรวมทั้งมโนสัมผัสคือรู้ว่ากำลังเห็นรูปด้วยตาหนึ่งได้ยินเสียงด้วยหูหนึ่งได้กลิ่นด้วยจมูกหนึ่งได้ลิ้มรสด้วยลิ้นหนึ่งได้แตะต้องวัตถุด้วยกายหนึ่ง ได้ทราบด้วยใจหนึ่งคนทั่วไปจะรู้สึกว่ามีเราเห็นมีเราได้ยินมีเราได้กลิ่นมีเราลิ้มมีเราแตะต้องและมีเราเป็นผู้รับทราบเสมอต่อเมื่อเจริญสติจนจิตตั้งมั่นรับสัมผัสกระทบต่างๆได้ชัดในขณะแห่งการรับสัมผัสหนึ่งๆนั่นเอง มโนภาพผู้เสพสัมผัสจะหายไปรู้ว่าตามันเห็นไม่ใช่เราเห็นรู้ว่าหูมันได้ยินไม่ใช่เราได้ยินรู้ว่าจมูกมันได้กลิ่นไม่ใช่เราได้กลิ่นรู้ว่าลิ้นมันลิ้มไม่ใช่เราลิ้มรู้ว่ากายมันแตกต้องไม่ใช่เราแตกต้องกับทั้งรู้ว่าใจมันทราบไม่ใช่ตัวเราทราบ ถ้ารู้อย่างนี้ก็นับว่าเป็นการเห็นวิญญาณเกิดดับเป็นขณะขณะแล้วจะขณะสั้นหรือขณะยาวก็ตามทีเมื่อถอดแยกที่ตั้งของอุปาทานในตัวตนออกหมดตัวตนย่อมปรากฏเป็นของกลวงของว่างเปล่าของที่ไม่มีของที่ไม่จริงประดุดพื้นที่สำหรับยืนทะลุหายกลายเป็นโล่ง และไม่เหลือสิ่งใดเป็นฐานที่ตั้งของตัวตนได้อีกนั่นแหละคือสาระสูงสุดของการฝึกเท่าทานการเกิดดับของขันห้า